อันนี้ก็เท่นเดียวกันนั่นแหละการเจริญวิปปัตนาหรือเจริญปัญญานี่นะความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะชี้แจงเหตุผลต่างๆให้จิตใจนี่นะมันรู้แจ้งความจริงของชีวิตตามเป็นจริงเดี๋ยวนี้จิตดวงนี้นะมันยังไม่เห็นแจ้งในชีวิตที่ามเป็นจริงอนะ่ะมันยังหลงยึดหลงถือว่าเป็นของเที่ยงเป็นของสวยของงาม มันยังหวงอยู่ว่าเป็นของเราอยู่อย่างนี้นะมันไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางนี่จิตัวงนี้นะี่ยเพราะว่าเหตุผลหรือว่าสักขีพยานไอ้ต่างๆมันยังไม่ปรากฏแจ่มแจ้งในใจมันจึงไม่เบื่อไม่น่ายต่อขันห้าอันนี้อย่างนี้ <c oughs> ดังนั้นแหละเป็นหน้าที่ของปัญญา จะเพิ่งชักเหตุผลต่างๆมาที่แจ้งให้จิตได้ได้เห็นแจ้งตามเช่นอย่างว่าไอาการเจริญปัญญานี่เนอะทางวิปัสสนาเนี่ยคำว่าวิปัสสนานะนะแปลว่าเห็นแจ้งหรือว่ารู้แจ้งรู้อะไรรู้แจ้งรู้ลักษณะอาการของขันห้านี่แหละตามเป็นจริง รู้แจ้งว่าขันห้านี้ไม่เที่ยงอย่างนี้นะรู้ทัดจริงๆว่ามันไม่เที่ยงแท้ๆนี่เนะี่ยรู้ว่าขันห้านี้มันเป็นทุกข์มันทนได้ยากทนอยู่นิ่งๆไม่ได้เลยแปรปวนอยู่อย่างนั้นอันนี้มันก็เป็นความจริงแท้ๆก็ต้องเพ่งให้มันเห็นแจ้งขึ้นมาในใจให้ได้ เส้นปัญญามันชี้แจงว่าขันห้านี่เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราของเขามันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายก็ห้ามไม่ได้ไม่ให้มันแตกลับทำลายก็ห้ามไม่ได้นี่เพราะฉะนั้นจิตนี้จำเป็นจะต้องเห็นว่าขันห้านี่ไม่ใช่ของเราไม่ควรยึดไม่ควรถือควรปล่อยควรวางถ้าขืนถือไว้มันก็เป็นทุกข์ อย่างนี้แหละเ <c oughs> <c oughs> มื่อจิตนี่มันมีหลักฐานพยาน ม, มาอ้างอิงมันมีเหตุผลปรากฏในจิตนี่เพียงพอแล้วมันก็สามารถปล่อยวางขันห้านี้ได้เลยมันก็ลงความเห็นว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเราจริงเป็นสิ่งที่ควรปล่อยควรวางแท้ๆไม่ควรยึดถือไว้ด้วยความยินดีด้วยความยินร้าย ด้วยความเศร้าโศกเสียใจต่งตางๆนานาอย่างงี้นะคําว่ายึดถือนั่นมันมันหมายเอาอย่างนี้แหละเราจะรู้ได้ว่าจิตใจนี้มันยึดถือขันห้านี่ยอรู้ได้ด้วยปฏิกิริยาที่มากระทบกระทั่งเข้าเช่นอย่างว่าถ้ามีใครมายกโทษตีเสียนอขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วมันก็หงุดหงิดไม่พอใจเลย มันก็วิตกขึ้นในใจว่าอืมไอเ้เจนี้มันมาดา่าเรามาดูถูกดูหมิน่นเรานี่เมื่อวิตกขึ้นมาเนี่ยความโกรธมันก็บังเกิดขึ้นอันนี้แหละท่านเรียก ว, ว่ามันยึดถือขันห้าไว้ด้วยความไม่พอใจด้วยความโกรธทีนี้เมื่อขันห้านี่มันมีความสุขความสบายโลกใครไข้เจ็บไม่เบียดเบียน กินก็ได้นอนก็รับอะไรก็สะดวกทุกอย่างไปเลยนี่ก็หลงสำคัญว่าขันห้านี่เป็นสุขสบายนี่แล้วก็ไปยึดขันห้านี่ด้วยความรักความพอใจด้วยความล่าเริงบันเทิงว่าตนนั้นจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายง่าย น, นี่เรารู้ได้อย่างนี้แต่รู้ได้ว่าจิตใจมันยึดขันห้านะเมื่อเราสังเกตไปพินิษพิจรารณา ทบทวนความคิดความนึกความคิดความเห็นภายในจิตใจเนี่ยอยู่เสมอเสมอนี่เราจะรู้ได้เลยว่ารู้ได้ว่าจิตใจนี่มัน ย, ยังยึดมั่นในขันห้านี่อยู่ น, นี่ถ้าว่าผู้ใดเจริญปัญญามานานจนชำนิชำนาญพออย่างนี้แล้วทำให้ใจนั้นมันเป็นกลางอยู่ได้ในขันห้านี่นะ แม้ขันห้านี่มันจะวิบัติแปรปวนไปก็ไม่เสียใจขันห้านี่มันจะสมบูรณ์พูนสุกเป็นปกติดีโยก็ไม่เพลิดเพลินไม่ล่าเริงมันเดิงใจแม้ว่าจะมีใครมายกโทษตรีเตียนดูถูกดูหมิ่นอะไรก็ไม่โกรธเพราะรู้ได้เลยว่าเขาไม่ได้ด่าเราเขาไม่ได้ดูถูกเราเพราะว่าเราไม่มีอยู่ในขันห่านี่เลย ขันห้าไม่ได้มีอยู่ในเรานี่ปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันจะเห็นแจ้งอย่างนี้เมื่อมันเห็นแจ้งนี่มันจะไปโกรธทําไมล่ะเขาด่าขันห้านู่นต่างหางนี่เขาไม่ได้ด่าเราอะเราไม่มีอยู่ในนั้นนี่เมดดวงจิตที่รับรู้อารมณ์ต่างๆเหล่านั้นก็ก็ไม่ใช่เราอ่ะไม่ใช่ของเราอ่ะดวงจิตนี้ก็เดียเป็นแต่เพียงธาตรู้ชนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะไม่มีเราไม่มีอยู่ในจิตนี้เลย ย้อนมาดูจิตให้เห็นว่าจิตก็สักแต่ว่าจิตไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัวตนอะไรเลยอย่างนี้ <c oughs> นี่ปัญญาวิปัสสนานะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเห็นแจ้งในขันห้าตามเป็นจริงแต่เมื่อเราจเจริญบ่อยๆเข้าไปความรู้ความเห็นนี่มันก็ยิ่งขึ้นไปเรื่อยเพราะความรู้นี่มันยิ่งเข้าไปเท่าไหร่ มันก็ปล่อยวางความยึดความถือนี่ไปได้เท่านั้นแหละไม่ใช่ว่ามันวางทีเดียวแล้วมันขาดไปเลยไม่ใช่นะเพราะว่าอินทรียบารมีของเรามันยังอ่อนอยู่มันจะเป็นต้องพิจารณาเรื่อยไปอพิจารณาเห็นชัดตามไปจริงไปแล้วอา้าปล่อยวางนี่หัดปล่อยวางไม่ต้องวิตกวิจารณ์อะไรแหละคาว่าปล่อยวางนี่นะ หยุดคิดหยุดนึกหยุดวิจารไปต่งตางๆนานาให้มีแต่สติกับความรู้เท่านั้นเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันนะ่ะสติประคองความรู้อันนั้นความเห็นอันนั้นนะให้เป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นนะ่ะอันนี้แหละจึงเรียกว่าหัดปล่อยหัดวางขันห้านี่ไม่ใช่ว่าเจริญวิปัสสนานี่ต้องคิดต้องวิจารเลื่อยไปอย่างนั้นไม่มีเวลาหยุดยั้งเลย อย่างนี้ไม่ใช่นะอย่าไปเข้าใจผิดไปอย่างนั้นเมื่อพิจารณาไปเห็นชัดตามจริงไม่สงสัยแล้วเรื่องนี้อย่างนี้นะก็ต้องปล่อยต้องวางเลยเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรยึดถือหมายควาว่านั้นเมื่อมันเห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้วพราขืนยึดถือไว้ก็เป็นทุกข์ประเเปงนี่ปัญญามันเห็นอย่างนี้นั่นยึงสอนจิตให้ปล่อยให้วางก็หัดวางไปเรื่อย ภาวนาทีไรเมื่อทำใจให้สงบลงไปพอสมควรแล้วก็กาหนดที่นาขันห้านี้แหละเพราะว่าจิตใจมันหลงมันเมาอยู่ในขันหานี้นี่มันถึงได้เมาออกไปข้างนอกนู่นนะถ้าหากว่ามันไม่เมาไม่หลงในขันห้ามันปล่อยวางขันห้านี้ได้มันก็ไม่เมาไปในสิ่งอื่นที่นอกจากขันห้านี้ออกไปนยมันก็ไม่หลงไม่เมาอ่ะก็ขอให้เข้าใจกันอย่างนี้ มันเมาขันห้านี่แหละมันหลงขันห่านี่แหละมันจึงได้หลงภายนอกนั้นนี่ถ้าไม่หลงไม่เมาในขันห่านี่แล้วไม่ภายนอกก็เป็นธรรมดาตาเห็นรูป ก, ก็สักแต่ว่าเห็นหูได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินจมูกได้สูดกลิน่นเหม็นหรือกลิ่นหอมก็สักแต่ว่าลิ้นได้รับรสอร่อยหรือไม่อร่อยก็สักแต่ว่านั่นแหละ กายได้สัมผัสกับเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็ดีก็สักแต่ว่าใจได้รับรู้อารมณ์ทั้งห้าอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็สักแต่ว่าเท่านั้นแหละมันไม่ใช่เขาไม่ใช่เราอะไรเลยไม่มีเขาเราไม่มีอยู่ในนั้นสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารับรู้ไปเท่านั้นเองไงเรื่องของสติเรื่องปัญญาเมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว มันก็เห็นตามสภาพความจริงอย่างนั้นแต่นี่เมื่ออินทรีย์ยังไม่แก่กล้าอย่างว่านั่นแหละมันก็สามารถรู้ได้เป็นบางครั้งบางคราวแล้วไปไปมันก็หลงได้เป็นอย่างนี้นอย่าไปเข้าใจว่ารู้ครั้งเดียวแล้วแล้วไปเลยยังยังก่อนเมื่ออินทรีย์ยังไม่แก่กล้าเต็มที่แล้วเมื่อมันรู้ไประยะหนึ่งแล้วไปไปมันเผลอตัวมันหลงได้ มันก็ไปยึดขันห่าหนของเก่านั่นแหละอย่างนี้เราก็พาเพียนพยายามเจริญสมถะเจริญวิปัสนาเรื่อยไปอย่างที่แนะนำพรัรมสอนมานี่แหละอืมเมื่อพยายามทําไปบ่อยๆดินรีห้ามันก็แก่กล้าขึ้นไปมันเป็นอย่างนั้นสัจทินสีความเชื่อมันก็มั่นคงนะ มั่นอะไรอ่ะมั่นต่อความเพียร น, นั่นแหละเชื่อว่าเมื่อเราภาคเพียรไม่ท้อไม่ถอยแล้วเราสามารถเอาชนะกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้ได้แน่นอนทีเดียวเราเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้เมื่อความเชื่อมันมั่นอยู่นี่ความเพียรมันก็ติดต่อกันไปไม่ท้อไม่ถอย ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาปราไซทำการงานอะไรก็มีความเพียรพยายามระมัดระวังจิตใจอย่างนั้นไม่ปล่อยใจข้างตนให้หลงให้เมาไปตามสิ่งต่างๆที่เรากำลังทำกำลังพูดเรื่องที่ตนกำลังพูดอะไรต่ออะไรอยู่หมดนนั้นนะเราก็รู้เท่าไปเรื่อยๆไม่หลงไม่ติด ไม่คล่องอยู่ด้วยความยินดียินร้ายในเรื่องที่ทำคำที่พูดต่างๆอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ประกอบความเพียรอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ใช่ว่าจะเวลานั่งสมาธิลงไปนั่นจึงจะเพียร น, น้อมใจลงสู่ความสงบอย่างเดียวเยวลาออกจากสมาธิมาแล้วรปล่อยตนไปตามยาถากรรมเฉยะไม่มีสติ สมปัจเจเนต์สมรวมระวังจิตใจสมรวมความรู้ความเห็นที่ที่เกิดจากภาวนามาแล้วนั่นนะ่ะปล่อยให้ความรู้ความเห็นนั้นมันเสื่อมไปอย่างนี้นะมันก็ใช้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็ตั้งต้นกันใหม่เลยเล ย, เลยอ้าวพอดีจิตพุ่งสร้างเลื่อนลอยไปเดือดร่อนไปแล้วมาตั้งต้นใหม่มาภาวนามาใหม่ มาฝึกจิ่ให้สงบไปให้พุ่งส่านไมาให้เลื่อนลอยพอสงบได้นิดหน่อยแล้วเ ผ, ผอตัวเข้าไปเกิดพุ่งซ่านเลื่อนลอยเข้าไปอีกก็มาตั้งต้นใหม่อยู่อย่างนั้นมันก็ไปไม่ถึงไหนแล้วข้อนี้ที่มันจะก้าวไปได้นั่นก็พอ่อให้ถือว่าเรามีภาวนาอยู่ตลอดเวลาเลย ให้ให้ทำความเข้าใจกับตัวเองอย่างนั้นในเมื่อเรามีสติสมปัญ ญ, ญากำกับกายวาจาใจอยู่อย่างนี้นะเราไม่ปล่อยให้ใจของเราหวั่นไหวหลงไหลยินดียินร้ายเสียใจโกรธเกลียดกับสิ่งใดใดที่ได้ผ่านมาทางตาเป็นต้นเหล่านี้แหละเราไม่ปล่อยให้จิตใจมันหลงไหลไปอย่างนั้นนะมีสติควบคุมประคับประคองจิตนี้ให้เป็นปกติรู้ปกติเห็น สิ่งต่างๆมีรูปเป็นต้นซึ่งมากระทบตาเห็นมันเกิดมันดับอยู่นั่นเห็นสัญญาอารมณ์ต่างๆเหล่ า, านั้นเกิดดับอยู่ไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารไม่มีอะไรที่จะเป็นน่ายินดียินร้ายเลยนี่เราพยายามรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ในใจเสมอไปแต่คนส่วนมากนี่มันไม่เป็นอย่างว่านะไม่เป็นอย่างว่าแล้ว เวลาออกจากสมาธิภาวนามาปล่อยใจขุงตนให้เลื่อนลอยไปตามกระแสของอารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่าบางคนน่ะจึงเสื่อมได้นั่นแหละจึงเสื่อมเป็นนักบวชก็มั่นคงไปไม่ได้เอาไปเอามาก่อนศึกไปนั่นมือนี่มันล้วนตั้งแต่ไม่มีภาวนาอยู่ตลอดเวลานั่นแหละมันถึงได้เสื่อม แม้เป็นครืหัสก็ตามแหละ <c oughs> มันก็เสื่อมได้ <c oughs> เสื่อมจากศีลจากธรรมได้เมื่อขาดการรักษาจิตสำรวมจิตใจขาดการสำรวมความรู้ความเห็นอย่างว่านี่นะ <c oughs> พูดสั้นๆลงมาคือว่ามันลืมไตรลักษณ์ญาณนี่แหละลืมมันนิจจังทุกครังอน้าตา <c oughs> ระลึกไม่ได้เลยปล่อย จ, จิตใจของตนให้ไปสําคัญสิ่งต่ตางๆมีตัวมีตน ม, มีเรามีเขาไปหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นแหละมันจึงได้ทะเลาะวิวาดกันคนเรานะเดี๋ยวคนโน่นว่าอย่างโน่นในคนนี้คนนี้ได้ยินเข้าก็เสียใจเอาไปต่อว่ากันเข้าไปอ่ามื่อนี้ถ้าถ้าผู้ปฏิบัติทำแล้วหากเป็นอย่างนี้เนี่ยแสดงว่า มีสมาธิเแต่เวลาเป็นนั่งภาวนาอยู่เท่านั้นเลยเมื่อออกจากาภาวนามาแล้วเป็นคนธรรมดาไม่ได้มีสมาธิจิตไม่ได้รักษาจิตเลยเมื่อเป็นเช่นนี้นะการภาวนานะไม่ได้ประโยชน์อะไรอะ่ะไม่ได้ผลคุ้มค่าเลยขอให้พากันเข้าใจอย่างนี้ก็แล้วกันเนีในนั้นในหลักของการสมาธิภาวนาท่านจึงอธิบายไว้ในวิสุทธิมรรคกนันเมื่อเวลาที่เรา ทำใจให้สงบลงไปด้วยอุบายวิธีอย่างไรเราก็จำวิธีอันนั้นไว้ให้ดีอ๋อเราทาเรามีวิธีอย่างนี้เรากำหนดจิตอย่างนี้เราเจริญกรรมฐานอย่างนี้จิตมันถึงสงบลงนี่ก็จำไว้ทีนี้เมื่อจิตถอนจากสมาธิออกมาแล้วก็พยายามรักษาสมาธิจิตอ น, นันไว้อย่าให้มันเสื่อมต้องรักษาไว้ คือว่ารักษาวิธีอุบายวิธีที่ทําใจให้สงบนั่นนะไว้นะนะนะคือเรา เ, เพ่งกรรมฐานอันใดแล้วใจสงบด้วยการเห็นแจ้งในกรรมฐานอันนั้นอย่างนี้เราก็ไม่ลืมเลือนกรรมฐานอันนั้นแม้ออกจากสมาธิมาแล้วก็มันเพ่งมันกรวดดูกรรมฐานอันนั้นเสมอเมื่อจิตมันเห็นกรรมฐานอ น, นั้นอยู่เสมอมันก็ตั้งมั่นอยู่ ได้เป็นปกติมันก็ไม่พุ่งซ่านมันก็ไม่ถอนจากความสงบอันนั้นถึงแม้ว่าเราจะทำการทำงานอะไรอยู่หรือว่าจะเข้าสังคมกับใครต่อใครอยู่ก็ต า, ามน ะ, ะเมื่อเราฉลาดรักษาจิตใจรักษาสมาธิอันนั้นไว้ได้อย่างนี้มันก็ไม่เสืมอมะนัะ่นเอง เมื่อได้รับความกระตับเทือนจากอารมณ์ที่พอใจหรือไม่พอใจต่างๆมาจิตมันก็ไม่ตื่นเต้นไม่วันไหวมันก็มีสติควบคุมอยู่ได้แล้วไตรลักษณะญาณมันก็เกิดขึ้นมาเลยเห็นแจ้งในอารมณ์เหล่านั้นว่าเป็นของอนิจจังเกิดแล้วดับไปไม่มีอะไรคงที่อยู่ได้เลยอืม นี่นะให้พากันถัดเจริญไตรลักษณ์นาญานี้ให้มันชำนี่ชำนาญไว้นี่คนส่วนมากมันลืมนะมันเพ้อบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจซ้ําเลยเพราะเหตุนั้นแหละมันถึงได้วันไวมันจึงยับยั้งใจไม่ได้เมื่อเวลาเหตุไม่ดีไม่งามต่างๆกระทกระทั่งเข้ามาแล้วก็วันไวไปเลยเสร่งงบตัวอยู่ไม่ได้เลยสแสดงกิริยาอาการไม่ดีไม่งามออกมาเลยหมู่นี้นะ นี่ร่วงแต่มันอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาไม่ปรากฏในใจอ่ะในขณะนั้นนะอดัองนั้นทุกคนให้พยายามอ่ะอพยายามกําหนดอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานี้ให้มันเจีมอยู่ในใจเสมอเห็นร่างกายที่ดวงจิตอาศัยอยู่นี่ก็เห็นเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลาไปเลย พยายามกำหนดรูปกำหนดเห็นไปแล้วก็กำหนดเห็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกนุ่มก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันนะเราพยายามกำหนดรูปกำหนดเห็นอยู่ในใจอย่างนี้นะเสมอเสมอไปนะไอความรู้ความเห็นเรานี่มันจะเกิดขึ้นได้จากที่เราพยายามนะเราพยายามกำหนดรูปกำหนดเห็นพยายามทำอุบายแย็บคลายในใจนู่นนะ พออย่างตาเห็นรูปอย่างนี้เราก็หัดนึกเลยว่าอืรูปนั่นก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้นะอะเมื่อจิตมันเห็นแจ้งอย่างนี้นแล้วมันก็เห็นรูปวันนั้นทักแต่ว่ารูปไปเฉยๆนี่แหละมันก็เห็นว่าไม่ใช่ของเขาอ่ะแล้วก็ไม่ใช่ของเราอือย่างนี้นะแม่หูได้ยินเสียงก็เหมือนกันเนะี่ยเสียงนั้นก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปจะเป็นเสียงไพเราะหรือไม่ไพเราะก็ช่างนะ ไอ้ความรูค้ความเห็นนี่มันจะเกิดขึ้นทันทีเลยเมื่อเราได้ฝึกให้ชำนิชำนาญไว้ในใจเสมอเสมอไปนะอะขอให้พากันฝึกเอาถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้แล้วไม่แล้วการภาวนานี่ไม่ไม่ก้าวหน้าไปได้เลยมีแต่ทางจะเสื่อมนั่นแหละมีแต่ทางจะเสื่อมอขอให้เข้าใจกันไว้ <c oughs> เพราะว่า ลำพังแก่เราทำใจให้สงบเป็นสมาธิเท่านั้นนะ่ะกิเลสมันมันไม่ขาดอกิเลสมันไม่ขาดเลยรากถอนรากกิเลสก็ไม่ได้เพียงแต่ว่าอำนาจแห่งสมาธินี้ไปทับกิเลสอยู่เท่านั้นแหละกิเลสมันงอหัวไม่ขึ้นวันเดีวไพูดกันอย่างง่ายง่ยืมแต่มันไม่ตายนะ ทับมันอยู่เฉยๆแต่มันไม่ตายทีนี้พอสมาธิถอนออกมากิเลสมันก็ลุกขึ้นมาตามเลยฮะนี่นั่นอย่างนั้นทีนี้เมื่อสมาธิถอนออกมาท่านจึงให้เจริญปัญญาต่อนั่นแหละวันนี้เมื่อนิมิตอะไรอารมณ์อะไโรโผล่ขึ้นมาในใจิตใจเราก็กำหนดที่จะนายเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเลยนี่เพราะจิตใจที่มันสงบอยู่อย่างนั้นนะ มันเป็นใจผ่องใสและใจองอาจกล้ า, าหาญเมื่อใจมันผ่องใสแล้วอารมณ์อะไรเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาในใจนี่มันก็เห็นแจ้งชักทันทีเลยอย่างนี้นะอุปมาเหมือนอย่างไฟมันลุกโครงอยู่นะนะั่นน่ะอะไรปิวเข้าไปสู่เปลวไฟแนละ้วมันไหม้เป็นเท่าเป็นถ่านไปเลยนะ อ, อย่างนั่นแหละงานความรู้นี่มันก็เป็นอย่างนั้นเนะี่ เมื่อมันบังเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดแล้วเมื่ออารมณ์อะไรเรื่องอะไรผ่านเข้ามาหาญาณความรู้อันนั้นอ่ะมันจะดับไปดับไปอยู่ทุกเวลาเลยทุกครั้งทุกขณะไปเลยใจจะไม่ได้ปรุงแต่งให้เกิดความรักความชังความอยากได้อะไรเท่าไรขึ้นมาเลยนี่มันเป็นอย่างนั้นในเมื่อเราอบรม ไตรลักษณะานาฬนี้ให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจแล้วน ะ, ะเพราะฉะนั้นใจนี่มันจึงเป็นปกติอยู่ได้ปกติรู้ปกติเห็นความเกิดความแปรปรวนความแตกดับไปแห่งสังขารทั้งหลายทั้งที่มีวิญญาณคลองและไม่มีวิญญาณครองก็เห็นมีความเกิดแล้วแปรปรวนแตกดับไปเหมือนกันมีสภาวะเหมือนกันหมดเลย นี่ความมุ่งหมายของการการเจริญวิปัสสนานะเพื่อให้เกิดญาณความรู้อย่างนี้แหละขึ้นในใจแล้วก็รักษาญาณความรู้อันนี้ไว้อย่าให้มันเสื่อมเพราะมันเสื่อมได้เหมือนกันนะถ้าหางว่าขาดการรักษานะี่ยมันยังไม่ทันถึงที่สุดนี่ถ้าว่ามันสามารถก้าวไปสู่โล ก, กุตรัตธรรมได้นะ่ญาณความรู้อันนี้มันก็ไม่เสื่อมแหละมันไม่เสื่อม แต่ถ้ามันยังก้าวไม่ถึงโลกุตระธรรมแล้วหากเผลอตัวเวลาใดมันก็เสื่อมไปได้นี่มันเป็นอย่างนั้นเมื่อเมื่อเห็นทุกสิ่งทอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปอย่างว่านี้แล้วความอยากความปรารถนาในสิ่งนั้นนั้นมันก็มันก็ไม่กําเริบมันก็ไม่รุนแรงขึ้นในใจเลยเรียกว่าเราอยากอะไรก็ อยากประกอบไปด้วยปัญญาแบบนี้นะอืมประกอบไปด้วยปัญญาอาศัยปัญญาตามรู้ตามเห็นว่าควรหรือไม่ควรอย่างนี้นะนั่นแหละถ้าไม่ควรแล้วก็ไม่อยากมันเลยถ้าควรแล้วเอาอยากมันไปคือมันไม่มีโทษเมื่อไม่มีโทษแล้วก็ไม่เป็นไรอะ่ะความอยากมันนั้นนะเพราะฉะนั้นแหละ เมื่อได้สะดับตับฟังแล้วก็ชงพาการตั้งอยู่ในอภมาทธรรมคือความไม่ประมาทพยายามภาเพียนไปก็คงจะบันลุจุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์ที่เราตั้งไว้ดังแสดงมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้